ติดคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ทานน้ําให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดย ส, สม่ําเสมอก็มีความสดชื่น่งและเติบโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรมรมดาที่ขึ้นงได้ถูกสาวโดยไม่บำรุงรักษาติตใจเมื่อบํารุงรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีควา ม, ม โปงใสมีความสงบเงยเือกเย็นเป็นำลำดับลำดาบไปถ้าขาดการหลมวงมันก็เหมือนกับต้นไ ม, ม้ที่ขาดจากการรวมิงขาดระยะใดขอแสดงความอับเฉาเพิ่เพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแท้หรือภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้ว การบำรุงรักษาอยู่ด้วยติทธิดดพาลาเดยสมองเสมอจิตจึมีความสงบเพื่อนเย็นขึ้นเรื่อยเรยเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความป่องใสก็เพิ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมืจิตมีความสงบ เราจะพิจารณาแต่รองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าออเข้าใจตามความปินทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกําลังว่าวุ่นขุนโมหรือจะคิดอะไรก็ไม่ได้เหลือทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปเป็นผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปได้เรื่อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้อุปโภคแต่จิตจะมีความสมงบร่มเย็นและผ่งใส มองเห็นเงาของตัวถึมกับน้ำที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ำมีขวักมีน้ำมีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ำก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ำขุ่น ม, มองลงไปก็ไม่เห็นอะว่าจะเป็นขวักเป็นน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ำนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อีกใจก็เช่นเดียวกัน อะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่มองเห็นโทษของมันทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโทษอยู่ภายในใจข อ, ของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะใจิตใจไม่โปร่งใสวิจารไม่เห็นจึงต้องควบคุมจิตให้มีความโปร่งใสแล้วก็เห็นเราของตัว เงานั้นมันแฝงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั้นแหละท่านเรียกว่าเงาและทําให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิตทุกเยล่ำเวลาทําทให้เราเผลอตัวไปไเรื่อยๆข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอ น, นั้นก็เป็นเราอะไรไม่จะเป็นเรา ห, หมดทั้งๆ ท, งที่เป็นเงาไม่ใช้ตัวจริง แต่ความเชื่อถือที่ความหลงตามไปนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงอะไรเนี่ยมันจึงเป็นผลขึ้นมาให้เราเรับความเดือดร้อนเลานี้ครูว า, าจาร์ทั้งหลายที่ขอรพบูชาเป็นที่ขอรพบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าค่อยหล่อลงไปโดยลำหนักอุทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะเชื่อตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องฐานดวงขัน คำพูดชุไปโดยลําดับลาดาท่านแฟนขาวเป็นต้เนเห็นแล้วก็รู้สึกสลดชงเวทเหมือนกันในเรื่องทางองค์พันถึงเวลามันเปียบแล้วก็เหมือนเมื่เคยมีความ แ, แรงเปล่งฉั่งอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนดูก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในยาวบทไดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแต่ ทุกของท่านผู้เส้นนั้นก็สอบเจบเป็นไปตามธาตุตามขันทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องธาตุดุลขันที่แสดงตัวมีสสำหรับพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่อบเสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันที่แสดงออกที่ผลิตผลไปต่างๆนานาคิดก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันมีคนมีการจิตก็วิคนมีการไปด้วยทั้งท่านที่จิตก็ดีๆนั่นเนี่ยเพราะความวันไหว ของจิตนันเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันท่านเป็สอนให้อารมณ์สติปัญญาให้มีความสามารถเจาวกล้าให้ทนันกับเหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้เจอขันสแสดงตัว อ, ออกในอาการที่ผลิตยอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตาม จ, ตาา จ, ตาจิตไม่รู้เท่าทันกับจิตเหล่านี้จิตไม่รู้เท่าเฉยอย่างเดียว หลงประจามสิ่งอนั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นกอดเสี่วเป็นการก่อทุกข์ให้เองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแมร่างกายก็เป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็าต้องตะคว้าเอาอ น, นั้นมาเป็นทุกข์เผารมตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันหยุด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 สัญญาเป็นผู้ขี้คลายเป็นผู้พิจิรณาและแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก่อนสงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะติตต่อกันไปเรื่อยๆในความที่ความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความข้องคันมันหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาเวเหยียดเลทุกข์ก็ต้องเป็นสายยาเวเหยียด แล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่จะสังขารใจท่านดาคิดตึงขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากขอ่รับทุกข์ถ้าสติปัญญาไมนมีจรับตั้งแต่ของเจเ๊ของทิ้งของชั้นในนั้ของเป็นพืชเป็นพ า, น า, น า, นานยานั่นแหละไว้ภายในจิตใจอนมีสติปัญญาก็เลือกเส้นออก อันไหนไม่ดีก็เลือกเส้นจัดทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดตัดทิ้งออกไปเรือ่อยๆแล้วแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในใจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ําภายนอกไม่ได้ชุบ ด, ด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยด้วยอัดด้วยธรรม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 ขณะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังตนอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากหิวมากดีไม่ดีก็าอาดท้อถอยเพาทําลงไป <c oughs> ไม่ค่อยจะเห็นผล <c oughs> เนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทําไม่ค่อยจดต่อเอาจริงเอาจริต่องานของตนที่ทําลงไปผลก็ไม่ค่อยได้เท่าปรากฏเท่าที่ควร แล้วก็ทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายในจิตใจแล้วละทิ้งกระแสโดอที่เห็นว่าหยุดจะดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาดิ้นไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความต้องสําคัญต้นตระดีกว่า น, นั่นแหะมันเป็นเรื่องของจิตเหลกที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทาอยู่มันยังไม่เห็นดี หยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าดีุดไปแล้วดีเนี่ยคนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนิน ง, งานต่อไปมันยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเขต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทําการทํางานทําไม่ได้มากหยุะดีกว่าถ้าอุตสาหพยายามทําไปเรืเ่อยๆทำามมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานที่คนที่ทําขึ้นถ้าเป็นงานที่เสียงงานจะเป็นาการกดผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้ว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 มันคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกํนาลังมันไหลรวมทางต่ํางยากหรือไ่ยาก ม, ยามันก็ไหลมันไปนะเลยไม่ทรามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตเส้นใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเชนไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ำให้มันไหลขึ้นสูงที่สูงอมันลําบากเพราะทวนกระแสะการที่จะละ ความทุกข์ะสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัดตวนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านพูดสําเร็จนักผลมิพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแล้วเราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางที่ง่ายก็ง่า ย, กายเกาไป ยิ่งได้เห็นผลเข้าไปดลระดับนี่แล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ถ้าจะเอาท่านอยู่สุดทุกข์ไม่คำหนึง่งมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตรงต้องการแล้วขอสักการเรียนให้เรียนเรื่องท่าเรื่องขันให้ดูเรื่องท่าเรื่องขันที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นหลักสาคัญสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรยอยู่ทุกเวลาคำว่าอนิจจังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนาตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาเฉยๆประตา ม, าา เ, ามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความสำนึกานะหรือช่างชองพิจารณาหลายครั้งหลายผลจิตก็เข้า อ, อกเข้าใจนะเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเอง ไม่ใช่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวลแล้วนนแล้วไปแล้ไปพระคอจะจะกอบเกิดเอาผลทั้งๆ ท, ที่เไม่ทําพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่เราฝืนเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์ที่ท่านได้กรากดชื่ อ, อนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาวนแล้วตั้งแต่ท่านลอดตายมาด้วยกันทั้งนั้น ถาเอาเป็นงานเบาๆท่านจะก็าะาตายมาได้ก็ยพอตกเป็นงานหนักถึงกุ้มเทกําลังกันเลยอย่างเต็มที่เวลานี้ก็า่อยลอกันมากแล้วครูบาจาันผู้เชี่ยวชานก็ดีมีน้อยเป็นที่มีเราหวังทึ่งท่านท่านดวนขานเรื่องการท่าน ข, ข, ขอบเป็นอนิจจังเพิ่มขึ้นได้ทั่วการทั่วเวลาและเราพับท่าจากกันไปดังที่เราเสนออยู่นี่แล้ว เราน้องพยายามเอาโอวาทคำอสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นําโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจะที่ว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่งเข้พระพุทธเจ้าแล้เข้าเข้าพระพุทธเจา้าก็ทพระสงมีตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสําคัญที่เป็นความแน่ใจสําหรับเรา การใช้ครูาใช้อาจารย์นั้นเป็นของใช่ไหมแม่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัฒนาอย่างไปท่านมีนพัฒนาเราก็พัฒนาท่า น, นจากเราก็จากเพราะโลกอันนี้จังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราให้คิดอยงเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมที่ท่านมาผมปฏิบัติสําตัำตัวเองเอาจริงเอาจั ง, จงหให้เห็นเหตุถึงผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในใจิตใจ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 ที่เดือสั่หาอาวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรแนี้มีมากมายกลายกองใหญ่โตมากเราจะมาขาดมาเสือมาสับมาปันเพียงห้น้องหนึข้าันขาดไปนั่นมันก็เป็นตายน่าจึงต้องในทุ่มเทกำลังลอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะ่ทีมไยชนะกันเอาปงใน เราเป็นนักปฏิบัติมาต้องขอถอยต่อการลบกับกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราความมากกิเลสคือก้อนเราท่า น, นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นมีคือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยก ด, ด้วยความภาคเทียนโดยทางสติ ป, ปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากัน แยกธาตุาตกับธาตุซีเนี่ยธาตุซีนั้นรู้กันเต็มโลกเต็มองศาแต่ว่าจะจะรู้ถึงใจทราบ ซ, า Leaders, าบซึ้งถึงใจจริงนั้นต้องทราบซึ้งโดยธาตปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นทาตเส็จแล้วก็วกซึ้งไปเองถ้าลงไม่ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันป่อเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจ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 ก็ก้อนธาตุอยู so so point, ่แล้วคาบอกมันลิงก์ยานก้ธาตุเนี่ยสิ่งที่มาสัมผัสก็อนธาตุรูปก้อนธาตุเสียงก้อธาตุธาตุอะไรอะไรมันก็เป็นธาตุตลอดเป็นขันน์ภายในตัวของเรานี่แหละรูปก็เป็นขันน์ในธนาก็เป็นขันน์สัญญาเขาเป็นขันน์ทั้งขานก็เป็นขันน์ลิงกยานก็เป็นขันน์เป็นขันน์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของของเขาเราไปรู้วก็คือผู้รู้นี้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 ส่งโฉนทิเลธาตุมวลขึ้นโดยลนับแล้วก็ะกอบความทุกข์ให้ส่องมากในเมื่อทุกเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกข์ทางใจมากมายเวทนาไม่เกิดขึ้นในทาตุในขันอ่ะมันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกทอดออกมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรมันมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นแต่ให้มันละทางเดินมันละไม่ได้ท า, ขางของความทุกข์ในธาตาในขันมันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมา มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ว่าจะเวทนานอกเวทนานในแต่เฉพาะอย่างนี้เวทนาทางร่างกายเวทนาที่เห็นชัดรูปก็เป็นรูปที่เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรอาจะเกิดสันตัญญูว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าข้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจ้าขุนหมุนอะไเป็นอะไรคนแน่แกเถิดเหมือนว่าไปัยกรรมโลกสมงมโนดุลมของโลกเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนั้นค่าทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาเห็นความจริงอันนี้รูปก็คือรูปรูปประขันมีธาตุสี่หยินน้ำลมไปรวมกันเข้าเรียกว่าค น, นเป็นชื่ออันหนึ่งว่าซับ ว, ว่าหญิงว่าชายแยกประเภทออกไปเป็นชื่อเป็นงามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเอง รวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปรูปกายนี่เป็นความจริงนั่นเองแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนแต่ละส่วนในขณะที่ประชุมกัญหา น, นี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนเื่อเ็นเขาดูที่เราให้ชื่อให้นามเขาเป็นสื่อต่อเนื่องกันโดยลำดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี้นมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปหลงชื่อลงนามทังมดให้เห็นนอก รวมแล้วสรุปความแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนเหตนาที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นเหทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกขึ้นมาก็ตามเพลเฉลินตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันเห็นอย่า ง, งชัดเจนสองอย่างนี้สําคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสัญขาอีกอย่างนั้นเกิดดับดับพร้อมไปทุกระยะแต่ทุกเวทนายนี้ ถึงจะดับนันก็มีเวลาชา้านานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทเนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากกลับความจริงจะเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนานนและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกม า, ากมายก่ยกอง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 ตั้งอยู่ก็ดีระดับไปคนดีมันมีเท่านั้นแยกให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาเรากำหน ด, ดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมและดูกายชายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชัดในขณะที่พิจารณาไม่ให้จิตมันโผงออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นอะ่ะเช่นผู้กรเวทนาก็กําหนดด้วยผุกรเวทนาให้เห็นชัด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 ความสําคัญว่าตายนี่เป็นเป็นเรื่องความเจ็ดสรรปั้นย่ อ, อขึ้นมาให้แก่จิต ด, ด้วยอํนานาจแห่งความหลงของจิตใช่เองเป็นผู้เจ็ดสรรปั้นย่ อ, อขึ้นมาหลอกตนเองเองีกชั้นนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปตัวตายหาอะไรคำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบว่นั่นสลายลงไปเสื่นมคนมีชีวิตอยู่นี้พอหมดลงให้ใจเขาเรียวกว่าคนตาย นั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุ น, นั้นธาตุนั้นเลยมีแต่แต่ตายเฉยๆมีแต่รูปธาตุเฉยเจทนาก็ไม่มีแล้วทินมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายความจริเห็นไม่ได้ตายท่านถึให้พิจังนาดูให้ครับเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเจดเดลหรือมาจีบขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้จริงให้จิงด้วยการพิจงงารณา มันจะทุกหน้าทุกน้อยขนาดไหนให้กําหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกนั้นเอาความทุกนั้นแล้วเป็นหินลับปัญญาแยกทุกขยายทุกออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกเทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้ถือตายไหนเอาจิตหรือจะตายตามสมงมติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเรองทัาดับไปเมื่อไหร่ แล้วิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบังคับให้จิต ด, ดับได้อย่างไรขุนนาดูให้เลยนี่อ่ะท่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงผู้เวทธนาจะเกิดขึ้นมากน้อยประการในขณะนั้นจะไม่มีอํานาจเข้ามาบังคับบัญชาหรือทำจิตใจให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวญธนาเป็นเวญนาปัญญาเบญรณา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 พิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขันให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายน่กรบเรื่องตัวตายไม่ใช่ ท, ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกาหารต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัวขาดธรรมที่กลับได้ชอบแล้วให้ดําเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่แตกแต่จะขอใ ห, ให้รู้สิ่งที่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 จิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจำตนไม่ไปพักเท้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความสิ่งของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีธรรมความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปเบ็ดแยกส่วนแต่ส่วนวุ่นมากับเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่ระเทือนถึงจิต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 ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแย่แยะดูเวทนาอันไหนจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามความจริงของมันมันมีความเกิดมีความดับอุปจัมตนของมันมือแล้วเราจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัว เ, เองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงไม่จริงเกี่ยวกับทําแล้วเราก็ิีสบายอาจะตายก็ตายที่ต า, ต า, ต า, ตามโลกของมนุษยมว่าตายตายมันเป็นไงเกี่ยวกับตายมันแต่อาแต่ตายงั้น อะไสลายสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่อะไรไม่สลายคือจิ <c oughs> ตถ้่สร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเจนขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างไรไม่มีความหวั่นไหวต่อความร่วมความตายเหอจิตมีความแจเจียาสามารถเหรการพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทำไม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 ไม่คั่งคลุ้งหวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกําลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงเข้ามันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้มีเสื่อหนักครบการก้าหารกล้าหาญแบงนี้เป็นความถูกต้องเมื่อมาถึงจุดหมายตลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะ เข้าถึงขั้นผลองคสมุนแล้วความกล้าความควรนี้ไม่ไม่มีปัญหาทั้งหมดความหมายไปเองแต่ลานี้ความกล้าความควรนี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับผู้ดําเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกเรียนนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็อยู่ความตายมีเท่ากัน ถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่ง น, นี้ก็แปรสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากลางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาขั้นสุทั้งนั้นแล้วจะวันไหนไปไหนจะเอเอียนไปไหนจะตกตะลันที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่เราพิจารณาไว้แล้วนี่นักลบท่านพิจารณานั้น่ในทํากลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็น ทำลมเย็ยนเป็นสุข ด, ดุบโดยกปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียยไม่หวั่นไหวไปตามอาการอะไทั้งหมดนี่คือว่าพูรูรอบอาการเมื่อทนได้กับคนตายพอค น, นก็ได้ก็ทนกันไปปฏิบัติรกษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพารดมรักษ า, า, ากันไปตามธรรมชาติของมันเมื่อ มันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปถ้าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะสู้มันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตไม่หลั่งไหลจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะภายในจิตแจขงตนเองเพราะจิตนั่นแพ้กับที่เัญหามาตลอด จนกรทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กำไกลกันในยูต้าหน้าแห่งความชนะของพิเลตที่เรานอนตรงอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะคลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องต่อปราการพิเดตอาศระซึ่งเคยชน ะ, ะมาตลอดหรือเป็นเจ้าหนายเจ้าใหญ่านายโตในวัฏจกักรบังคับจิตใจเราให้ไปสู่ที่นั่นที่หนึ่คราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เป็นชัยชนะเพราะเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความเกษมนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสิฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชั่วที่เด เป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นสุดสิ่ง ท, ที่จะมาก่อควรจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอันว่ายุติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าความเพียรเป็นสรรมันเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าหน้าทำงาน ปัญญาเป็นสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาต้นคว้าในใเห็นเหตุเห็ผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอะเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามไปกินในส่วนต่างๆมีขันห้าเป็นต้นเนื้อที่เละจะไหลเข้าไปสู่ภานจิตทั้งหมดไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทําลายที่ผายป่นปีไปด้วยปัญญานละนอกจากนั้นก็เข้าปีต้นในจิด ที่ไล่ค่าสึกเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลืออณะที่เราตายตายที่กงนั้น่ะตายที่กงมันมีกับใจนันมันอาศัยที่นั่นในเสื่อมอาํานาจหรือคิดหายตาจะไปตายแต่ที่นั่นด้วยมากของสติปัญญาที่ทันสมัยทันเดียวกชนะความชนะอันเลื่ชนะที่จร น, นี้ศาสนารวมรวมแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้ มาสุกวาระฝุกท่าในการปฏิบัติศาสนาก็มายุติกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์กันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีากานก็ไม่มีาฐานที่ก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันรู้เท่าทุกถึงทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดใา มีทางเลือกมาถึงนี่ผ่านทั้งไปที่นี่เที่ยงแน่และกิจอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีแล้วแต่ควา ม, น, มนี้ร้อนล้วนขันแน่าจะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆดูประคันเวทนาสัญญาตั้งขันยานขันนั่นก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยภูมมันก็มีอาการแสดงไปตามเรื่องของมัน เนธนาสุขภูมิบ้างที่กากในขันก็นแสดงกตามเรื่องของมันสัญญาความจำได้ไ ห, หาลูกก่เป็นกตามเรื่องของมันทั้งขานความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันยืนยันความรับภาบนะเมื่อสิ้นภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นการจิตมันก็ก น, กนกับทราบระดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยั่งจิตใจให้กาเนิดเหมือนยังแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กาเนิดนั้นได้ทาลาได้ถูกทําลาจนหมดแล้วไม่มีอะไรเยอจึงเรียกว่าเป็นขันล้วน คือผู้สิง น, นิพพานมีมู่้ว่างแข่งขันรุนร้วนถึง น, นิพพานทั้งเป็นในจิตที่บริสุท่านไม่ถามถอ่ะ น, นิพพานอยู่ที่ไหนจะได้ถามหาอะไรหัวนิพพานคืออะไรทําไมนิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่ อ, อ น, นิพพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหารอยที่ไหนอีกไปมุม เงาไปที่ไหนไม่งมผู้รู้จริงจริงแล้วไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์ อ, อ, อาการแสดงธรรมก็เห็นมากสมควรขอให้ท่านครูปฏิบัติทั้งหลายนำปฐพีนิละให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคําที่พูดนี้โดยสมบูรณ์ทางจิต ใ, ใจของเรารับยึดติด